จะพูดธรรมคำว่าธรรมเป็นธรรมชาติมีมาตั้งเดิจนไม่สามารถอาจรู้ได้ว่ามีมาแต่เมื่อไรอาจเป็นสิ่งลึกลับแม้จะมีอยู่กับโลกตลอด การก็ตา่างมีใจเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสกับธรรมได้และรู้เห็นธรรมได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รทรงรู้เห็นธรรมเมื่อทรงรู้เห็นธรรมแล้วก็ ผมนำอุบายวิธีการค้นคว้าหรือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นท่านเหล่านี้จึงได้นามว่าสาวกะหรือสาวกแปลว่าผู้นักดิ์คือผู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอบรมวิธีการต่างๆ ในการค้นอัดค้นธรรมเพื่อให้พบให้เจอไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าสัพพันดุลิศยมสยมคู่ทรงรู้เองเห็นเองทรงค้นเองโดยลำพังพระองค์ไม่มีครูอาจารย์ใดสอนในแนวทางที่จะรู้เห็นธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นี้ ที่ว่าไปทรงศึกษาอยู่ในสำนักนั่นๆเหล่านั้นไม่ใช่เป็นวิธีการหรือแนวทางที่จะรู้เห็นรรมประเภทนี้เมื่อพระองค์ได้ปีจากครูจากอาจารย์ทุกเคยให้อุบายสั่งสอนต่างๆซึง่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงได้ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์ ซึ่งไม่มีใครแนะนำตัดเพืินฝังสอนเลยแม้แต่น้อยจะต้องตะเกียบตะกายเป็นธรรมดาเพราะทางไม่เคยเดินทําที่ไม่เคยรู้เคยเห็นจะให้รู้เห็นได้ง่ายอย่างไรจะให้เดินได้ด้วยความสะดวกได้อย่างไรราต้องมีความยากลาบากเป็นธรรมดาของงานที่ไม่เคยทำเมื่อทรงปฏิบัติ โดยถูกทางแล้วก็จราบกว่าทรงรู้เห็นทาขึ้นมาในพระไถยที่เรียกว่าจัดเจรู้โดยลำพังพระองค์เองเึงได้พระนามว่าสยามภูผูรู้เองเห็นเองไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดามาแนะนำสั่งสอนเลยส่วนบรรดาสาวกก็ต้องเป็นพระองค์ประทานพระอวาวาทอุบายวิธีการต่างๆให้รู้ วิธีปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจึงได้รู้ได้เห็นทรรมโดยลำดับจนกระทั่งถึงขัน้นบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อได้รู้เห็นทรรมแล้วจึงทราบได้ชัดว่าท ร, ร ม, มีอยู่แต่เมื่อไหร่เวลาไม่รู้ไม่เห็นก็เหมือนทรรมไม่มี พอรู้เห็นเท่านั้นก็ทราบได้ชัดเจนทราบย้อนหลังว่าทมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นแต่เพียงไม่สามารถรู้เห็นเท่านั้นหรือไม่สามารถค้นพบไม่สามารถจะปฏิบัติคุยเสีย่ยให้เห็นธรรมนั้นนั้นจากเกิดขึ้นภายในใจเมื่อรับการะระดับกับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงสามารถปฏิบัติจนถึงขั้นบริสุทธิ์ ทีเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านว่าพุทธัทงสนังกัจฉามิก็หมายถึงท่านผู้ที่ค้นพบธรรมดวงนี้เองธรรมังสนังกัจฉามิก็หมายถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกทรงรู้เห็นนั่นแหละสังคังสนังกัจฉามิก็คือผู้ที่ค้นพบธรรมดวงเลิศจากการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมสมกับธรรมมีอยู่ในโลกกิงไม่มีอยู่แบบโมฆะสำหรับคนทั้งหลายที่ไม่สามารถแต่มีอยู่ตามหลักความจริงของธรรมด้วยแนรู้ผู้ปฏิบัติก็รู้เห็นความจริงแห่งธรรมนั้นประจักใจด้วย ทำจึงไม่เพียงแต่ว่าเราจะกล่าวถึงแต่คําพูดโดยหาความจริงคือทำนั่นไม่ได้หรือทำนั่นไม่มีหเราทั้งหลายได้อุตสาบําเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเมื่อบําเพ็ญมากเข้ามากเขา ก็สามารถจะเข้าถึงธรรมนั้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่มีการสถานที่หรือเรล่องเวลาอะไรมาเป็นรุปสัตวพระพุทธเจ้าจะปฏิพาันธ์นานไปเพียงไรก็าตามไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันกับเรื่องมรรคผลปิพาน์ที่ผู้ปฏิบัติจะถึงได้รับผลหรือผู้บำเพ็ญจะถึงได้รับตามกาลังความเพียนของตน เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดในบรรดาสมมุติที่นิยมกันจิตโฉมนุสสปติลาโผตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากถ้าเราจะเทียบแล้วสัตว์ร้อยตัวตัวหนึ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็ยาก เราเทียบแล้วย่นเข้ามาอีกความเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมีความเกื่วความหลอมใสในอัตธรรมนี่ก็เป็นของยากจะให้เป็นมนุษยธรรมภายในตัวทั้งคนนี้ก็เป็นของยากมันยากทั้งนั้นถ้าพูดถึงมอยากแต่ก็ไม่ยากสาหรับ เราผู้มีความเชื่อความนำใสมีความมุ่งมั่นต่อธรรมอยู่แล้วก็ไม่เป็นของยากมันยากสำหรับบุคคลอื่นแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ตามแต่การจะปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นของยากกิทโฉนะกิทโฉบุอะไร ทิชัวบุษานามุ ป, ปาโธความอบติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละโพลท่านก็บอกเป็นของยากทำไมท่านจึงจบอกว่าเป็นของยากเพราะคนทั้งโลกไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยากที่ตรงนี้ความสามารถอาถานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มันยากที่ตรงนี้แล้วความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ทอดระยะกันนานแสนนานไม่ใชอ่องค์นี้ประนิพานไปแล้วองค์นั้นจะมาอุบัติขึ้นได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นในระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เกิดขึ้นนั้น หรืออุบัติคืนนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดอนคือระหว่างอย่างพระพุทธเจ้าแต่และองค์ละองค์ท่านสมมุติไว้พอเป็นขอบเขตเช่นอย่างพัทธกับนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรกห้าพระองค์เนี่ยเวลานี้ก็สี่กับพระพุทธเจ้าเรานี่แล้วองค์ที่ห้าก็คือพระอยเมณฑ์ใหญ่ในพัทธกับนี้มีเพียงห้าองค์ออกจากนั้นไปแล้วก็จะเป็นศูนย์กับ ว่างเปล่าไปอีกนานยิ่งกว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่และองค์คือนี้มันเป็นพัสตกับนี้เป็นเหมือนกับว่าจุดหนึ่งหรือย่านหนึ่งระยะหนึ่งในพัสตกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่มาจัดทะลุห้าองค์เนี่ยแต่และ ระหว่างระหว่างนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรนหนึ่งพุทธันดอ น, นเช่นห้าพระองค์ก็มีห้าพุทธันดรคือระหว่างหวยเจ้ามาแต่สะลุห้าพระองค์พอหลังจากนี้แล้วไม่ได้เป็นพุทธันดรท่านเรียกว่าเป็นศูนย์เงากล่ า, าวจากศาสนธรรมคือผู้ที่จะรู้จะเห็นจะเ อ, อ่ยถึงเรื่องธรรมนี้ไม่มีเลยมนุษย์ก็เหมือนสัตว์มันมีความรู้สึกดูชั่วอะไรเข้ามาเกี่ยวผลเข้ามา แสงภายในจิตให้สะดุดเป็นความรู้สึกบาปบุญกุณฑขึ้นมาเลยนี่เป็นเวลานา น, านกว่าจะถึงกลับต่อไปแล้วมีพระพุทธเจา้ามาแบบสะรู้ในฐาะเราจะคิดถึงเรื่องกลับเรื่องกันนิ่มตามข้อเปรียบเทียบว่านานเท่าไหรกลับหนึ่งกลับหนึ่งกันหนึ่ง ท่านเทียมเหมือนกับมีภูเขาสูงตั้งไรตั้ง400ยอดเลยเราลืลมๆเพ้่งหน่อยนี่100ยดหรือ400ยยดท่านยกข้อเปรียบเทียบแล้ว100ปีทิพย์จะมีนางเท พ, พธฏิดาเอาผ้าสำลีมาปัดกวาดภูเขาลกนั้นเสียครั้งหนึ่ง100ปีทิพย์มาปัดกวาดเสียครั้งหนึ่ง จนกระทั่งภูเขาที่สูงขนาดนั้นราบลงเหมือนหน้ากรองมองดูภูเขาไม่มีเลยเป็นดินราบไปหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าหนึ่งกับนนานไหมคิดดูสิไอร้อยปีทิพย์นานเท่าไหร่ถึงจะมาปัดเทศธิดาถึงจะเอาผ้าอั้มวีละเอียดก่อนมาปัดมากวาด ภูเขาลูกนั้นจะทีหนึ่งทีนึงทีหนึ่ ง, นงจนกระทั่งภูเขาลูกนั้นลาบลงไปด้วยผ้าสำลีที่ปัดกวาดแล้วเล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดได้เลยว่าการเวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจรึงไม่ควรเข้าให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรามันจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญคุณงามความดี เราย่นเข้ามาถึงระยะเวลาของเราที่ได้ไดอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้อย่างไรที่เราจะได้คุณงามความดีเข้าบรรตุภายในจิตใจของเราให้เต็มตื้นไปด้วยความสุขพันเจริญเพราะบุญกุศลนั้นๆเราควรที่จะรีบเร่งผลขวายเสียตั้งแต่ต้นมืออบัตินี้ ให้กลับไหนกันใด น, นั้นเราไม่ต้องไปคิดเอากับนี้กันนี้คนคนนี้เวลานี้ชาตินี้เป็นตัวประกันในการบําเพ็ญตัวให้เป็นที่พึงพอใจความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําความดีเท่านั้นที่เป็นความพึงพอใจ ไม่เจือปนด้วยสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายเป็นเราก็พึ่งบุญตายเราก็พึ่งบุญเป็นอยู่เราพึ่งบุญคืออะไรเรามีความหมายมั่นปั้นมือหรือมีความมุ่งมั่นต่อความสุขเท่านั้นความทุกข์เราไม่ฝืนการนาด้วยกันความสุขก็ได้แก่บุญ สมความปรารถนาก็คือบุญตายแล้วก็ต้องอาศัยบุญคือพึ่งบุญหวังความสุขความเจริญมนุษย์เราเกิดมามีความหวังเต็มหัวใจด้วยกันพราะะฉนั้นจงพยายามสร้างสิ่งที่จะเป็นผลให้ขนองความหวังนั้นให้เต็มกำลังความสามารถของตนที่มีชีวิตอยู่นี้ ที่จะสนองความต้องการให้สมหวังก็คือบุญการสร้างบุญก็คือการทำคุณงามความดีด้วยประการต่างๆจะเป็นการรักษาศีลทานภาวนาเรียกว่าความดีทั้งนั้นรวมแล้วก็เป็นทรัพย์ภายหน่อย เราไม่เคยเห็นพบเห็นชาติไหนเราไม่เคยรู้พบรู้ชาติของเราว่าเกิดมากี่ครั้งกี่คราวก็ตามให้พึงทราบในตัวของเรานี่แหละคือเป็นตัวหลักฐานพยานแห่งผู้เกิดแล้วตายเล่าเคยเป็นมาอยู่เช่นนี้หลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนการเกิดในพบใดชาติใดกับเรื่องความสุขทุกนี้จะต้องมีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปกับใจของเรา ผู้สร้างเหตุคือดีชั่วไว้ในตัวผลจึงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากความสุขความทุกข์ที่จะสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในกายในใจของเราอนาคตข้างหน้าก็คือพุ่นนี้ที่จะก้าวไปตายที่นี่ก็ต้องเกิดที่นั่นตายที่นั่นต้องมาเกิดที่นี่ส่วนจะเกิดดีเกิดไม่ดีสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของเราที่สร้างสร้างเอาไว้ อันเป็นวิบากฝังอยู่ภายในจิตใจคำว่าวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นไม่อยู่ที่อื่นใดนอกสัมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวเหตุคือผู้สร้างเนี่ยตัวประกันพัชาติหมายเอาตัวของเราเป็นผู้เคยมาแล้วถึงต้องมาตามแถวที่ตนเคยเคยมาเคยอยู่เคยไปนอกจาก เราจะตัดเชื้อออกหมดจากใจของเราไม่มีเหลือเชื้อแห่งความเกิดนั้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจเลยผู้นั้นเป็นผู้แน่นอนสาหรับตัวเองแงจะปรากฏขึ้นในขณะใดก็ตามขณะนั้นแหละเป็นขณะที่แน่นอนของผู้นั้นบอกหมดแล้วสิ้นปัญหาไปแล้ว ในเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องหมายป่าช้าที่นั่นทีนี่ถึงโลกทั้งหลายมีเต็มตัวอยู่ด้วยกันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญสำคัญที่หลักธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนั้นตามกฎแห่งพิเลสอาสวะริกฎแห่งกรรมมีเป็นกฎตายตัวไม่มีใครที่จะลบให้สูญได้นอกจากความดี เท่านั้นที่จะเป็นเครื่อนช้าล้างสิ่งสโครตทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วเรื่องมณทินที่จะพาให้ก่อกําเนิดเกิดต่อไปอีกนั้นมันก็หมดปัญหาไปผู้ใดได้รู้ในขณะใดเวลาใดผู้นั้นก็แน่นอนในตัวเองว่าสิ้นแล้วเรื่องปัญหาในการเกิดตายบัดนี้ไม่มีอีกแล้วดังพระพุทธเจา้าสรรเป็นอุทานใน ชิมากาฬประิประมปฐมโพธิการว่าอนเนกชาติสร้างชาลังสัาางส้นธาที่สร้างอันากปิสรนาคาลังกะเวศนโตบุคคลชาติกุรณะปุนาการเกิดของเรานี้นับไม่ถ้วอนเอเนกชา เกิดแล้วเปิดเล่าเกิดมาหยุดไม่ถอยตายแล้วตายเล่าลเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่าเกิดเกิดเท่าตายมาเป็นเวลานานการเสาะแสวงหาเรื่องพบเรื่องขาดเรื่องกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่เนื่องมาจากวิชาซึ่งเป็นยางเหนียวอันสาคัญเราได้ชำระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วภายในใจิตใจในเรื่องการ เกิดกับความทุกข์ที่เคยเป็นลูกโซ่เขี่ยวเนื่องกันมานั้นได้ตัดขาดแล้วภายในใ จ, ใจิตใจวันนี้นะต่อแต่นี้ไปเรื่องอวิชชาตัญหาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เรานั้นเป็นอันว่าสุดเพื่อมแล้วไม่มีทางที่จะทำเราให้เป็นอย่างไรตามอานาจแห่งอวิชชาตัญหานี้อีกได้เลยท่านทรงเปล่งพ่ะอุทานในปฐม โคติการขนาดจัดสรุปใหม่ๆที่กลาวทั้งนี้ก็หมายถึงเรื่องเชื้อที่จะพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแต่พวกเราไม่ทราบเชื้อคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบทั้งเชื้อทรงละทั้งเชื้อตัดขาดออกจากพระไทยได้โดยสมบูจึงให้นำ ทำมันแท้จริงที่ประจักษ์ในพระไทยนั่นมาสั่งสอนสารโลกการบำเพ็ญคุณงามความดีโลกทั้งหลายถือว่าเป็นการทำยากอันบัตนเพราะเป็นสิ่งที่ฝืนจิตใจอยู่เป็นธรรมดา ให้เหมือนการทําอย่างอื่นที่ทําด้วยความพอใจแม้จะยากลําบากใจก็ไม่จดต่ออยู่กับความยากความลำบากจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ตนต้องการแต่นน้นเสียภาลําบากขนาดไหนก็เหมือนไม่ลําบากเช่นเขาเล่นกีฬากันขณะที่เขาเล่นกีฬาเขาไม่ได้คิดว่า ง, งานนี้เป็นงานลําบากมากแทบล้มเทบตายเตะขากันแห้งหกักขาหักก็ย่างมีหกล้ม สลบมเหนื่อยไปก็เยอะเขาก็ไม่เห็นว่างานนี้ลำบากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้มองดูจุดตามความกินข้องหมันแต่มองข้ามไปโน้นเพื่อใช้ชนะหรือเพื่อความรุ่นโดงการเล่นกีฬาเหงื่อมันออกมาจากข้างกายจนจะไม่มีน้ำหล่อยเลี้ยงร่างกายนนเป็นไร มันขนาดไหนมันรอดตายแต่ก็เป็นความสนุกสนานจิตใจมันไปทางโน้นเสียมันได้มาจดต่อกับความลําบากลําบนเหลนี้ถ้าเราจะเทียบถึงเรื่องการทําบุญให้ทานของเหล่านี้ก็ดูจะไม่ถึงขนาดนั้นคือพยายามทำคุณงามความดีแต่เราก็ว่ายากคือจิตมันมาจดต่อที่ตรงนี้เสีย ความจดจ่อนี้มันก็เป็นอุบายวิธีของสิ่งหลอกลวงซึ่งเป็นฝ่ายต่ำอีกประเภทหนึ่งมากีกันทางเดินของเราให้เกิดความอินหานและอาใจต่อการประกอบความภาคเพียนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาพอจะเริ่มฝึกหัดจิตใจให้รับความสงบมันเริ่มดิ้นแล้วเราจะทำให้สงบทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ทาจิตใจมันกวดแปลง้งดิ้นรนวุ่นวายไม่อยากทา มือคว้าสลิงสข้างบางชนีไปนูน่นลิงข้างบางชนีเป็นยังไงมันเป็นสัตว์ที่ลูกลิกจิตใจมันดิ้นรนกดแฝงมันก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วเกิดความมินาและอาใจไปเสียทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็จะทำได้อย่างไงเมื่อเราฝ่าฝืนสิ่งอล่างนี้ไม่ได้การทำความภาคเพียงก็ต้องฝ่าฝืนอุปสรรคความท้อถอยอ่อนแอลึก ความขี้เกียจมั่ง่ายเรานีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องฝ่ายต่ำซึ่งเราจะต้องได้รบซึ่งเราจะต้องได้ต่อสู้เนื่องจากสิ่งที่ดีกว่านี้อย่างหนึ่งเมื่อเราต่อสู้นี้ลแล้วเราก็จะปรากฏเห็นของดีขึ้นมาภายในจิตใจเห็นความฟุ้งซ่า น, นําคาญเป็นของดีเมื่อไรไม่มีอันใดที่จะก่อควรจิตใจของเรามากยิ่งกว่าความคิดความปรุงของจัก คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรเหล่านี้เป็นความคิดของใจคิดแล้วมันก็ ม, มาวุ่นภายในจิตใจสุดท้ายก็คือเราควรเราโดยอาศัยเหตุอื่นเมื่อทําจิตให้สงบด้วยอด้วยทำแล้วความคิดความปรุงเหล่านี้มันก็ระงับตัวลงไปไม่มีอะไรก่อปวนจิตใจใจก็สบายนี่หลักของการภาวนา เราต้องชำระเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองที่มันคิดวุ่นวายต่างๆตั้งจิตลงไปในจุดที่มันกําลังวุ่นวายเอาความวุ่นวายเป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณากําหนดดูจิตที่มันวุ่นวายมันวุ่นวายเรื่องอะไรมันวุ่นวายเรื่องอดีตอลยนะกฏมันวุ่นวายกับใครดีชั่วประการใดบ้างมันเกิดขึ้นจากที่ไหนดูความเชื่ความปรุงของตนนั้น เพราะตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่จะเป็นผู้ก่อเหตุก่อเหตุขึ้นที่ตรงไหนความทุกข์ร้อนก็ต้องเกิดที่ตรงนั้นการพิจารณาจึงพิจารณาลงจุดที่ผู้ก่อเหตุอ่ามันคิดเรื่องอะไรให้รู้จะตั้งหน้าตั้งตาดูเรื่องของตัวเองดีกว่าที่เราจะไปดูเรื่องของคนอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลวุ่นวายให้แก่ใจเป็นนั่เป็นนั่งหนานีพอเราตั้งทา่าตั้งตาดูเรื่องของเราแล้วโดยลําดับลํามหลัก มันก็เป็นความสงบขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในวงปัจจุบันสติก็ตั้งอยู่ที่นั่นทุกก็ยอมทุกตายก็ยอมตายด้วยการสังเกตสอดรู้จิตกใจตัวเองที่มันคิดปรุงต่างๆอันเป็นเรื่องก่อขวนตัวเองมีดูโดยสมังเสมอเมื่อสติปัญญาได้อย่างลงไปในที่ตรงนี้แล้วมันก็สงบงบเงียบลงไปได้และเราจึงจะเห็นโทษของความคิดปรุงข้างหลายว่าเป็นตัวภัยแก่ตัวของเราเองไม่ใช่ผู้อืน่นใดที่มาเป็นภัยต่อเรา นอกจากความคิดที่เท่านั้นเป็นภัยต่อตัวเองแต่เราไม่ทะบเท่านั้นจึงต้องคิดต้องปรุงเรื่อยๆก่อเหตขึ้นมาเรื่อยๆหีวิธีภาวนาให้กำหนด อ, อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ก็เวลานี้เราตั้งใจจะรู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จึงชื่อว่า น, นักรู้นักปฏิบัตินีืเน่เกิดขึ้นก็ให้รู้จั่วเกิดขึ้นก็ให้รู้มันเกิดขึ้นด้วยเรื่องอะไรก็ให้รู้เรื่องของมันอันนั้น เรียกว่าสังเกตตัวเองการภาวนาคือการสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตแล้วสังเกตแล้วสังเกตอยู่ไม่หยุดไม่ถอยหยุดไม่ต้องบอกมันจะผานผลนโลตเต้นขนาดไหนก็ตามมันต้องมอบเข้าสู่ความสงบจนได้เพราะนาศของความเพียรเป็นเครื่องบังคับถ้าเราจะปล่อยให้เลยตามโดยของใจที่มันคิดมันก็ยิ่งเพิ่เพมเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อไฟมันลุกโพลโพงอยู่แล้วโยนเชื้อเข้าไป ให้ใจไฟดับด้วยเชื้อมันเป็นไปไม่ได้จะให้ความทุกข์ความลำบากทั้งหลายมันดับด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังทิศเผยคิดเพื่อสังสมความทุกข์นั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเจ้าสติปัญญาเข้าไปจับไประ ง, งับไปห้ามล้อมแห่งความคิดทั้งหลายนั้นไว้แใจก็จะมีความสงบร่มเย็นพอใจสงบร่มเย็นแล้วก็เห็นโทษแห่งความคิดความปรุงทของนตนไปดูลำบาก คิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้เสียรู้เสียว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันก็ละมันเองเพราะอันนี้เป็นภัยก็รู้แล้วเมื่อไม่ละก็เหมือนากับการสั่งสมภัยขึ้นมามการละจริงเป็นการสลัดปัดทิ้งภัยทั้งหลายไม่เข้ามาถึงตัวได้เนี่ยทั้งปัดทั้งหลายท่านรักษาตัวท่านรักษาอย่างนั้นการอยู่ในโลกย่อมมีความตั้งปัดสัมพันธ์กับเรื่องโลกต่างๆได้เป็นธรรมดาทั้งดีทั้งชั่วมันมีอยู่ในโลกเต็มไปหมด ไปที่ไหนมันก็มีตาหูจมูกเลี้นงกายใจที่คอยจะรับทราบเรื่องโลกทั้งหลายมันก็มีอยู่กับตัวมันปิดไม่อยู่สิ่งนั่นก็มีสิ่งนี้ก็มีมันเปิดรับกันอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะใช้สติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองสิ่งเหล่า น, นี้ให้ทราบทัดและเลือกเฟ้นอันนั้นที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันอยู่คนเราฝักเราฝ่าแต่เราก็สบายอยู่ในทํกากลางแห่งโลกที่วุ่นวายนั่นแหละ แต่เราไม่หุ่นโลกก็เป็นโลกไปเสียรเราก็เป็นเราอยู่เสียเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกรองจิตใจก็สงบเห็นประจักษ์การฝึกการทรมานตนทำไมา ย, ยึนต้องฝึกต้องทรมานตนเพราะตนเรานี่มันเป็นตัวพะยศ อ, อิดมันคิดร้อยแปดพันประการมันจะไม่พะยน์อะไรพระยศทำลายเจ้าของ ก่ความเดืดร้อนให้ของก็คือใจยึจ่งเรียกว่าใจพยศการพิจารณาดูตนก็คือดูตัวพยศนั่นเองแต่ตัวพยศแม่แต่ตัวพยศเบาลงไปเท่าไหร่เราก็เห็นคุณค่าแห่งความเปลียนแห่งการแก้ของเราก็ยิ่งมีแจกใจเอาให้มนันดับความพยศหมดภายในจิตเงินธนบัตรแสนสบายขอให้นำแต่พลิกพิจารณาอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นภูมิแล้วความเป็นมนุษย์พยายามสร้างตัวให้เต็มภูมิถึงไม่เต็มได้มากเพียงไรได้น้อยเพียงไรก็เป็นสมบัติของเราเวลาจําเป็นเราจะต้องอาศัยอันนี้โลกทั้งโลกนี้จะเป็นพืนเป็นไฟไปหมดถึงการที่มันเป็นไฟสิ่งที่เคยดุ่นเดิมมันจนวมาดีว่าดีมันก็จะกลายเป็นไฟไปในเวลาที่มันจะเป็น ส่วนที่ไม่เป็นไฟก็คือความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเงยนเ็นแก่จิตใจจิตใจจะแอบแนบสนิทกับสิ่งนี้เท่านั้นนอกนั้นแนบไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทกับอะไรเป็นตัวกังวลขึ้นมาก่อบความทุกข์ร้อนให้จิตตนเรื่อยเมื่อสนิทเท่ากับบุญกั บ, บกูรูนที่เราสร้างมาเดิมดับและขณะที่ที่จะเป็นจะตายมีสติ ป, ปัญญาที่จะนาตัวเองนี้เรียกว่าเราสร้างกูรูตนคือความฉลาดรอบตัว แนบสนิทกับความฉลาดนี้แล้วก็เป็นความสุขคาโต้ไปก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเนี่ยคําว่าพึ่งบุมพึ่งอย่างนี้ทิ้งเหล่านั้นเราก็พึ่งแล้วไม่ได้ประมาทอยู่ในโลกแม้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังมีที่อยู่ที่อาศัยทําไมมนุษย์เราจะต้องไม่มีบ้จะไม่มีบ้านมีเรือนมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมีอย่างเหลือก็ต้องมีแต่เราก็แยกไว้เป็นประเภทประเภท นี่มีความจําเป็นในการนีระยะนี้ส่วนคุณงานความดีมีความจําเป็นในระยะนั่นๆัทราบชัดโดยลำดับภายในจิตใจแล้วเราก็ถือเป็นงานจําเป็นด้วยกันทั้งงานทางด้านวัตถุและงานทางเสียงถังเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยด้วยกันตามการตามเวลาคือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอิทธนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริ แต่จะนันทะติลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความลื่นลึงและมีความลื่นลึงในโลกทั้งสองนี่คือเครื่องหมาย่างคนที่ไม่ประหมักแสดงอยู่กับตัวเช่นนั้นการแสดงธรรมขอสงสารผู้ควรระยิสิก